ผลของการให้ทานด้วยศรัทธาคือเป็นผู้มีรูปงามชวนพิศหน้าเลื่อมใสและผิวพรรณงามยิ่งในที่ที่ทานนั้นผลเสลดผลข้อความจากสัปปุริสธิ์มหาบุรุษมีพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดนี่คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่ถลึงตาดูไม่คอนตาดูไม่ชำเลืองตาดูใครใ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 และมโนสุจริตทั้งในการบำเพ็ญทานในการตั้งใจรักษาศีลห้าและศีลแปดกับทั้งในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดาในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อสมณนะในความปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลรวมทั้งเป็นผู้นำในกิจอันเป็นมหากุศลอื่นๆ ข้อความจากลักษณะสูตรจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหากมักโกรธอัดแน่นด้วยความเคืองแค้นถูกเขา่าวเล็กน้อยก็ขัดใจผูกใจเจ็บมีความอาฆาตมาด ร, ร้ายแสดงความกระฟัดกระเฟียดง่ายเช่นนี้หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะมีผิวพันธ์สามข้อความจากจุลกรรมวิพังขสูตร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 ก็พึงกล่าวแล้วว่ากรรมทางใจมีโทษมากกว่ากรรมทางกายและกรรมทางวาจาข้อความจากอุปาลิวาทาสูรคาโปรยคนที่ไม่มีความอิจฉาจะอยู่เย็นและนับถือตัวเองได้อย่างน่าอิจฉาเป็นที่สุดมุมมองอันควรได้จากพุทธพ์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 ใจที่น่าเกลียดคืออย่างไรคือใจที่เหนียวเหนอะ ด, ด้วยความตระณีถอดเป็นคำไทยคือขี้เหนียวนอกจากนั้นใจที่มืดดำด้วยความเห็นแก่ตัวถอดเป็นคาไทยคือใจดำซึ่งต่างก็ตกแต่งจิตให้น่าเกลียดได้ไม่แพ้กันสรุปแล้วความน่ารังเกียจของจิตนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งกายที่น่ารังเกียจ ความงดงามของจิตนั่นแหละต้นเหตุแห่งกายที่งดงามหลักง่ายๆคือถ้าเกิดกิเลสแล้วตามใจกิเลสบ่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจสามลงส่งผลให้มีรูปทามได้เดี๋ยวนั้นเช่นใบหน้าหมองคล้ำราสีหม่นมืดลงแต่ถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้จักระงับไม่ทำอะไรประเจิดประเจิด จะเป็นเหตุให้ใจสวยขึ้นส่งผลให้รูปสวยได้เดี๋วนั้น <_ d ial> เช่นใบหน้ากระจ่างราศีสดใสขึ้นถ้าสังเกตยอยู่อย่างนี้ก็คงไม่กังขา ว, ว่าถ้าชาติหน้ามีใจสวยหรือใจซามจะมีบทบาทตกแต่งรูปร่างหน้ามากน้อยเพียงใดกรรมในการให้ทาน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 เช่นกันณฑ์ง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทานคือเมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทำขณะทมและหลังทมแล้วนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างในเป็นยิ้มอันบันดาลขึ้นจากความปลื้มเปรมความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน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 พอเข้าใกล้แล้วจะรู้สึกขยักขยงอยากออกห่างเพราะคล้ายจะเหม็นอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นสีนจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่ ง, งความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไรคนก็จะมองเห็นคุณแล้วเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วยเช่น 1. อยากปกป้องชีวิตสัตว์